ส0ทรงตรัสแก่พระอา น, นุนให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสตราแทนต่อไปอา น, นุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้น จะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานุน์ความขาสูญแห่งกาลยานวัฒนนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่า เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยพิกษุททั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท